โลกที่พวกเราอยู่กันนี้เป็นโลกสมมุติเป็นโลกที่เรามาตั้งชื่อให้กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาแต่ดั้งเดิมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาอยู่ดั้งเดิมคือธาตุทั้งสี่ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ํา ธาตุาดมธาตุไฟพอธาตุทั้งสี่มาผสมมารวมกัน mm hmm. ก็ทำให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเช่น mm hmm. เป็นต้นไม้ต่างๆเป็นร่างกายของมนุษย์เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานพอธาตุที่ห้าคือ ธาตุรู้ที่เราเรียกว่าจิตใจมาครอบครองร่างกายถธาตุรู้นี้ก็มัดสมมุติน่างกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูก เป็นเพื่อนเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าสมมุติเรามาสมมุติเรามาตั้งชื่อให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุมาดมธาตุไฟแล้วเราก็ไปหลงเชื่อตามที่เราคิดกันเชื่อว่าเป็นอย่างที่เราคิด แต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เราสมมุติกันขึ้นมาความจริงร่างกายของคนเราทุกคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่ากันเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องความจริงเขาเป็นการมารวมตัวของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุนมธาตุไฟ ที่มารวมกันอยู่ชั่วคราวแล้วต่อไปเขาก็จะแยกตัวออกจากกันเวลาที่ธาตุทั้งสีแยกออกจากร่างกายเราก็เรียกว่าร่างกายตายไปพอร่างกายไม่หายใจธาตุทั้งสี่ที่อยู่รวมกันอยู่ในร่างกายก็แยกทางกันไปธาตุลมก็หยุด ธาตุลมก็ออกจากร่างกายไปธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไปร่างกายก็เย็นเวลาธาตุลมออกมาก็มีกลิ่นออกมาเป็นกลิ่นออกมาเวลาธาตุน้ําออกมาก็เป็นน้ําที่อยู่ในร่างกายน้ําเลือดน้ําเหลืองอะไรที่ไหลออกมาจนกระทั่งต่อไปก็จะเหลือแต่ ส่วนที่เป็นของแข็งเช่นกระดูกหรือหนังที่เหี่ยวแห้งหนังเนื้อที่เหี่ยวแห้งไปก็เรียกว่าเป็นธาตุดินต่อไปก็มันก็จะผุกลายเป็นดินไปนี่คือความจริงความจริงคือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทำมาจากธาตุทั้งสีเท่านั้นเป็นธาตุทั้งสี หรือเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งถ้ามารวมกันก็เป็นธาตุสีเช่นร่างกายของสัตว์ของมนุษย์นี่มีธาตุสี่มารวมกันแต่ธาตุบางอย่างก็อยู่ตามลำพังธาตุดินคือแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่นี้ก็เรียกว่าธาตุดินน้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำธารอยู่ในทะเลก็เป็นธาตุน้ำ ลมที่เราหายใจกันอยู่นี้ก็เรียกว่าธาตุลมความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์ก็เรียกว่าธาตุไฟนี่คือความจริงของโลกนี้โลกนี้เราเรียกว่าโลกกธาตุโลกของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่พอมารวมตัวกันก็ทําให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมา ตอนต้นก็เป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานร่างกายของมนุษย์พอมีธาตุที่ห้าคือใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิดมาครอบครองร่างกายใจก็เป็นผู้สร้างสมมติขึ้นมาสมมุติว่าร่างกายของคนที่ให้กําเนิดเราเราก็เรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่ ร่างกายที่เราให้กำเนิดเขาเราก็เรียกเขาว่าลูกอันนี้เป็นสมมติเราตั้งชื่อกันขึ้นมาร่างกายของพวกเรามีชื่อต่างๆชื่อเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยานอกจากนั้นพอเรามาทำงานทำการเราก็มี สมมุติเพิ่มขึ้นอีกรับราชการเขาก็ให้เป็นพลตารวจเป็นในสิบตารวจเป็นในร้อยตารวจเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นสมมติกับสิ่งที่มีอยู่เดิมก็คือธาตุสีเราตั้งชื่อให้ธาตุทั้งสี่ตามลักษณะต่างๆ ข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันก็ทำมาจากธาตุทั้งสี่นี้บางอย่างก็ทำด้วยธาตุน้ำเช่นเครื่องดื่มต่างๆก็เป็นธาตุน้ำแล้วก็ตั้งชื่อต่างๆมีน้ำสุราน้ำอะไรน้ำผลไม้น้ำอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นธาตุน้ำของที่เป็นของแข็งเราก็เรียกว่า เราก็ตั้งชื่อให้เช่นรถยนต์เครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เป็นโลหะเราก็ตั้งชื่อว่าเป็ น, น, นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหม้อเป็นทัพทีเป็นช้อนอของที่มีหายากเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นเพชรเป็นทองอแล้วก็มีราคามากน้อยตามความต้องการของคนเรา ของไหนที่มีน้อยแล้วเราต้องการกันมากมันก็มีราคามากของไหนที่มันมีมากไม่มีคนต้องการมันก็มีราคาถูกเช่นพวกเพชรพวกเงินพวกทองนี้มีน้อยหายยากคนต้องการมากก็เลยมีราคาขึ้นมาของที่ไม่ต้องการกันก็คือดินที่มีอยู่ทั่วไปมีอยู่มากมายก็เลยไม่มีราคา มีก็เป็นที่ดินถ้เาเป็นที่ดินที่ไหนมีคนต้องการมากที่ดินนั้นก็มีราคาขึ้นมาที่ไหนที่ไม่มีคนต้องการที่ดินมันก็ไม่มีราคาแต่มันก็เป็นเพียงสมมุติทั้งนั้นเราไปตั้งราคาว่ามันมีราคาอย่างนั้นมีราคาอย่างนี้นี่คือเรื่องของโลกของสมมุติเราเอาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนี้ มาสมมุติกันมาหลงแล้วเราก็มาหลงมารักมาชอบมันแล้วก็เราก็มาทุกข์กับมันเราผู้นี้ก็คือธาตุรู้เรียกว่าใจเวลาที่ธาตุรู้มารวมกับร่างกายคือธาตุสีเราก็เรียกว่าธาตุรู้นี้ว่าใจใจก็คือผู้รู้ผู้คิด รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งที่เห็นด้วยตาเราก็เรียกว่ารูปเสิ่งที่เราฟังทางหูเราก็เรียกว่าเสียงเสียงที่เราเข้ามาทางจมูกเราก็เรียกว่ากลิ่นสิ่งที่เราสัมผัสด้วยลิ้นเราก็เรียกว่ารสสิ่งที่เราสัมผัสด้วยร่างกายของเราเราก็เรียกว่าผดทพะ แล้วเราก็มาชอบมาลักกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาสัมผัสรับรู้เวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิธธ่นรสผลทพะผ่านทางตาหูจมูกริ้นกายเราก็เกิดความยินดีเกิดความสุขขึ้นมาเราก็เลยแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้กันแต่เราไม่รู้ว่า การหาความสุขของเราจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันยุติลงเพราะว่าร่างกายของพวกเราทุกคนเมื่อมาเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดต้องกลับคืนสู่าธาตุเดิมร่างกายเวลาตายนี้ความจริงมันไม่ได้ตายหรอกมันแยกตัว สิ่งที่มารวมกันคือธาตุทั้งสีดินน้าลมไฟมันจะแยกตัวออกจากกันไปกลับคืนสู่ที่เดิมของมันลมก็กลับไปหาลมไฟก็กลับไปอยู่กับไฟน้ำก็กลับไปอยู่กับน้ำดินก็กลับไปอยู่กับดินความจริงไม่มีอะไรตายสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีเกิดไม่มีตายเป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี และเป็นการแยกสลายของาธาตุทั้งสีเวลามารวมกันเราก็เรียกชื่อต่างๆถ้าเป็นต้นไม้เราก็เรียกว่าต้นไม้ถ้าเป็นต้นหญ้าเราก็เรียกว่าต้นยาถ้าเป็นร่างกายเราก็เรียกว่าร่างกายแล้วเราก็ไปยึดไปติดกับร่างกายเพราะเราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา ทุกวันนี้ที่เราอยู่กันนี้เราก็อยู่เพื่อหาความสุขกันการที่เราจะมีความสุขได้เราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะเราต้องใช้ตาไว้ดูรูปใช้หูไว้ฟังเสียงใช้จมูกไว้ดมกลิ่นใช้ลิ้นไว้ลิ้มรสใช้ร่างกายเพื่อสัมผัสกับสัมผัสที่มาทางร่างกาย เช่นอุณภูมิความร้อนความเย็นหรือของที่มากระทบกับร่างกาย<ม>พอเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลินพพ่นรสผดท่าพระเราก็เกิดความสุขขึ้นมามเราก็เลยยึดติดกับร่างกายรักร่างกายหวงร่างกายเราก็ยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะ<ม>เพราะเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ มาให้ความสุขกับเราพอเกิดมีปัญหาขึ้นมาพอาเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะเราก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นม า, าเช่นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาที่เราตายอันนี้เป็นเพราะว่าใจคือธาตุธาตุที่ห้าที่เรียกว่าธาตุรู้นี้เป็นใจที่ไม่ฉลาดเป็นใจที่โง่ไปหลงคิดว่าการมีร่างกายการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นวิธีหาความสุขจะให้ความสุขไปตลอด แต่ความจริงมันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ไปตลอดนั่นเองร่างกายอยู่ได้ไม่เกินน้อยปีก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะธาตุทั้งสีที่มารวมกับร่างกายก็ต้องการแยกออกจากร่างกายเนี่ยพอเกิดการแยกทางกัน ร่างกายก็จะสูญสลายหายไปนี่คือเรื่องของธาตุที่ห้าคือใจผู้รู้ผู้คิดที่มาหลงมายึดมาติดกับร่างกายมาหลงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว เพราะว่าหลังจากที่ร่างกายที่เป็นธาตุทั้งสี่นี้แยกสลายออกไปธาตุรู้คือใจนี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่ธาตุรู้นี้ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณธานรู้พอไม่มีร่างกายก็อยู่เป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ พอมีการสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาก็ไปครอบครองร่างกายอันใหม่ตอนที่อยู่ในท้องแม่นะเวลาที่แม่ตั้งท้องธาตุรู้ที่เป็นดวงวิญญาณนี้ต้องการที่จะมีร่างกายก็เข้าไปครอบครองร่างกายที่อยู่ในท้องแม่แล้วก็รอให้ร่างกายที่ทําจากธาต คือดินน้ำลมไฟค่อยเจริญเติบโ ต, บตบขึ้นมาโดยอาศัยธาตุสี่ของแม่เป็นผู้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพอได้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่พอออกมาจากท้องแม่ก็รับธาตุสี่ภายนอกต่อไปออกมาก็ต้องหายใจเอง ต้องดื่มน้ำเองต้องรับประทานอาหารเองต้องทำอะไรเองเพื่อที่จะได้ให้ร่างกายนี้จะเริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในตอนนี้แต่การหาความสุขต่างๆมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ แน่นอนร้อยเปอร์เซบางทีเราอยากจะหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้เราก็ผิดหวังเสียใจไม่มีความสุขเวลาเราหาได้เราก็มีความสุขชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่เราหามาได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนไป เสื่อมไปหรือหมดไปหรือจากเราไปพอจากเราไปเปลี่ยนไปหมดไปมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขเราก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งอื่นๆมาทดแทนกันอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราในการหาความสุขจึงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมหวังบ้างความผิดหวังบ้าง ความดีใจบ้างความเสียใจบ้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะทุกคนก็สอนให้เราทำอย่างนี้เราก็เลยทำกันอย่างนี้มาหาความสุขแบบรุ่มๆุ่ ม, มดอนๆสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปแล้วในที่สุดก็ต้องมาสิ้นสุดลงตอนที่ร่างกายหมดสมรรถภาพ ตอนที่ร่างกายไม่สามารถที่จะพาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ตอนนั้นจิตใจคือธาตุรู้นี้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจแต่ก็ทุกไปจนตอนที่ร่างกายตายไปพอร่างกายตายไปจิตใจก็แยกออกจากร่างกาย แล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่จิตใจอยู่ในสภาพของโลกแห่งความฝันตอนที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับนี้เราก็เข้าสู่โลกของความฝันความฝันนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันฝันดีกับฝันไม่ดี ฝันดีกับฝันร้ายเหตุที่ทำให้เราฝันดีก็เกิดจากการทำความดีต่างๆในตอนที่เราตื่นถ้าเราทำความดีทำบุญทำาอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาที่เรานอนหลับเราก็จะนอนหลับฝันดีถ้าเราไปทาบาปไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนต่างๆให้แก่ผู้อื่นเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายแต่การฝันของเรานี่มันฝันไม่นานเพราะพอร่างกายตื่นขึ้นมาใจเราก็กลับเข้ามาในร่างกายเราก็หยุดฝันชั่วคราวกลับมาใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆต่ๆตอไป พอตอนเย็นตอนค่ำเราก็นอนหลับร่างกายนอนหลับเราก็ไปฝันใหม่แต่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะฝันนานเพราะว่ากว่าที่เราจะได้ร่างกายอันใหม่ก็อาจจะใช้เวลาเป็นเวลายาวนานช่วงนั้นเราก็จะหลับแล้วก็ฝันนานช่วงที่เรานอนหลับตอนที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ ถ้าเราฝันดีเราก็เรียกว่าเราไปอยู่ในสวรรค์กันถ้าเราฝันไม่ดีเราก็เรียกว่าเราไปอยู่ในอบายกันเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าเป็นพวกเทวดาดวงวิญญาณที่ฝันดีก็เรียกว่าพวกเทวดาดวงวดวงวิญญาณที่ฝันไม่ดีเราก็เรียกว่าเปรตบ้างผีบ้างนรกบ้าง อันนี้เป็นเรื่องของธาตุรู้คือใจที่เวลาไม่มีร่างกายก็จะต้องนอนจะต้องฝันไปฝันดีหรือฝันร้ายฝันดีก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่เราทํากันฝันร้ายก็อยู่ที่บาปเราทํากันนี่คือเรื่องของธาตุรู้คือใจที่ไม่มีความฉลาด ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าเวลาที่ไม่มีความสุขเวลานั้นใจก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่รู้ว่าการทำบุญจะทำให้เวลานอนหลับหรือเวลาตายนั้นจะฝันดี ไม่รู้ว่าเวลาทำบาปแล้วเวลานอนหลับหรือเวลาตายจะฝันร้าย <Yeah. S 1> นานๆจะมีคนรู้คนฉลาดมารู้เรื่องราวของธาตุรู้คือใจนี้สักครั้งหนึ่งคนที่มารู้เรื่องราวของใจนี้ก็คือพระพุทธเจ้านี่เอง <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้านี้รู้ว่าใจเป็นอะไรใจรู้ว่าใจเป็นธาตุรู้ รู้ว่าใจที่เป็นธาตุรู้นี่มาหลงมายึดมาติดกับธาตุทั้งสี่คือร่างกายมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกงิ้นไก่แต่เป็นการหาความสุขที่จะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้จากการหารูปเสียงกลิ่นรสนั้น เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังเถาวลได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพลาดพลาดจากกันเวลาเกิดการพัดพลาดจากกันขึ้นมาก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยพยายามหา หาวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ส่งคนพบว่าเราสามารถคือธาตุรู้หรือใจนี้สามารถมีความสุขในตัวของเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายวิธีที่จะทำให้ใจหรือธาตุรู้นี้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มาให้ความสุขก็คือวิธีทำใจให้สงบนี้เองถ้าถ้าใจสามารถทำใจของตนเองให้สงบได้ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัช นี่เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปหมดไปต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบได้ก็จะสามารถทำให้ใจสงบไปได้เรื่อยๆสามารถมีความสุขไปได้เรื่อยๆ เพราะว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นร่างกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่แหละเป็นเรื่องของใจของพวกเราทุกคนพวกเรานี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย พวกเรามากับใจมากับใจแล้วก็มาเกาะร่างกายมาใส่ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขต่างๆแล้วก็พาให้เราต้องไปทุกเวลาที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้หรือเวลาเราเสียสิ่งที่เราลักเราชอบไปถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอความทุกข์แบบ ที่เราหากันที่เราเจอกันอยู่ในขณะนี้เราเราก็ต้องหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบก็คือหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบเราสามารถที่จะทำใจให้สงบกันได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งสุดวิสัย ของใจของพวกเราทุกคนใจของพวกเรานี้สามารถหาความสุขสร้างความสุขภายในใจได้ด้วยกันทุกคนถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขนี้ขึ้นมาเหมือนกับการหัดว่ายน้ำเนี่ยพวกเราทุกคนนี้สามารถว่ายน้ำได้ด้วยกันทุกคนถ้ามีคนสอนมีคนสอนให้เรารู้ว่า วิธีที่จะไหว้น้ำนี้ไหว่ยอย่างไรพอเราไปเรียนรู้จากวิจากคนที่เขารู้วิธีไหว้น้ำแล้วเรามาหัดไหว้เดี๋ยวเราก็ไหว้น้ำเป็นกันไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรการที่เราจะมาสร้างความสุขภายในใจของเราทําใจของเราให้สงบนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรถ้าเรารู้จักวิธีแล้วเรามา หัดทำกันพยายามทํากันไปตอนต้นมันก็จะรู้สึกยากเพราะเราไม่เคยทํามาไม่ว่าอะไรก็ตามเวลาที่เราหัดทําใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่ต่อไปมันก็ไม่ยากเย็นถ้าเราพยายามทํากันเช่นการหัดขับรถก็ถ้าเราไม่เคยขับรถเราก็จะรู้สึกว่ายากขับไม่ได้สมัยก่อนนี่ จะไม่มีผู้หญิงขับรถกันเพราะเขาคิดว่าผู้หญิงนี้ไม่มีความสามารถที่จะขับรถได้มีแต่ผู้ชายที่ขับรถแต่ต่อมาผู้หญิงเขาก็คิดว่าเขาก็ขับได้เขาก็ไปหัดขับไปเรียนวิธีขับรถเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงขับรถเต็มไปหมดทุกคนสามารถทำได้ถ้าเรียนรู้วิธีของสิ่งที่เราอยากจะทำ ว่าทำอย่างไรเท่านั้นเองสมัยนี้จึงทุกคนยังมีความสามารถที่จะทําทอะไรได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายถ้ารู้วิธีขับรถก็ไปเรียนก็ไปหัดขับรถได้วิธีขี่จักรยานวิธีขับเรือบินสมัยนี้ผู้หญิงขับเรือบินก็มีผู้หญิงขับจรวดก็มีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกคนมีใจเหมือนกันใจที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้การมาฝึกใจมาทำใจให้สงบนี่ก็เป็นเหมือนกับการเอาใจไปหัดขับรถยนต์หรือเอาใจไปหัดว่ายน้ำให้เรารู้จักวิธีว่าต้องทำอย่างไรเท่านั้นเองพอเรารู้แล้วเราเอามาหัดทำกันไม่นานเราก็สามารถทำได้ ถ้าเรามีคนสอน น, นานๆเราจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนวิธีทําใจของพวกเราให้สงบกันทําใจของพวกเราให้มีความสุขกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะร่างกายนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนออบางทีเราก็ใช้มันได้บางทีก็ใช้มันไม่ได้ เวลามันไม่สบายเวลามันพิกลพิการเป็นอะไรไปเราก็จะไม่สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราจึงไม่ควรที่จะไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะตอนนี้เราโชคดีเรามาเกิดในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนวิธี หาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายวิธีหาความสุขโดยการใช้ใจด้วยการมาทำใจให้สงบอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายไม่มีวันเสื่อมใจนี้เป็นใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับร่างกายที่บางเวลาก็สมบูรณ์บางเวลาก็แข็งแรงบางเวลาก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่สามารถหาความสุขได้แต่ใจนี้ไม่เหมือนร่างกายใจนี้เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นมาตลอดใจนี้แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดพร้อมที่จะให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเพียงแต่เราต้องรู้จักวิธี ทำให้ใจสงบเท่านั้นใจของพวกเรานี้ที่ไม่สงบก็เพราะว่าเราคิดกันอยู่เรื่อยๆทำไมเราต้องคิดกันก็เพราะว่าเราต้องการหาความสุขผ่านทางร่างกายกันนั่นเองเราเลยต้องใช้ความคิดว่าวันนี้จะไปหาความสุขที่ไหนดีจะไปกินที่ไหนดีจะไปดูหนังที่ไหนจะไปทำอะไรที่ไหนเพื่อให้เรามีความสุขกัน เราก็ต้องใช้ความคิดกันและก่อนที่เราจะไปหาความสุขบางทีเราขาดเครื่องมือคือเงินทองเราก็ต้องคิดหาเงินทองก่อนวันนี้ต้องไปทำงานไปหาเงินหาทองเพราะว่าก่อนที่เราจะไปหาความสุขเช่นไปเที่ยวหรือไปซื้อข้าวของที่เราอยากได้เราก็ต้องมีเงินทองก่อนเราก็เลยต้องใช้ความคิดตลอดเวลา คิดหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองมาก็คิดใช้เงินใช้ทองคิดวิธีรักษาเงินทองมีแต่มีแต่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานี้เราไม่เคยหยุดคิดเลยพอลืมตาขึ้นมาเราก็คิดแล้วว่าต้องทำอะไรพอลุกขึ้นมาก็ต้องไปเตรียมตัวแล้วต้อง ต้องอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวต้องคิดหาอาหารมารับประทานหาอาหารเสร็จก็ต้องคิดว่าต้องไปทำอะไรต่อต้องไปหาเงินหาทองต้องไปติดต่อกับคนนั้นติดต่อกับคนนี้เพื่อที่เราจะได้มีรายได้มีเงินทองเพื่อเราจะได้เอาเงินทองนี้ไปหาความสุขกันเราก็เลยต้องใช้ความคิด การหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันบังคับให้เราต้องคิดกันเราก็เลยคิดกันจนติดกันนดสัยมาจนไม่รู้จักหยุดคิดกันเนี่ยมันถึงรู้สึกว่ายากเวลาที่เราจะมาหัดหยุดคิดกันเพราะถ้าเราต้องการความสงบถ้าเราต้องการความสุขที่มีอยู่ในใจเรานี้ เราต้องหยุดคิดให้ได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยหยุดคิดเลยเราถนัดกับความคิดพอจะให้เรามาหยุดคิดมันก็เลยรู้สึกว่ายากเหมือนกับถ้าเราเคยถนัดใช้มือขวาแล้วเราต้องมาเปลี่ยนมือขวามาใช้มือซ้ายนี้เราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเราไม่เคยใช้มือซ้ายมาก่อนแต่ถ้าเราหัดใช้มือซ้ายไปเรื่อย ต่อไปเราก็จะถนัดซ้ายได้เช่น mm hmm. ถ้าเกิดมือขวาเราพิการไปไม่สามารถใช้มือขวาได้เราก็จะต้องบังคับเราหัดใช้มือซ้ายไปพอเราบังคับตัวเราให้หัดใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะถนัดซ้ายขึ้นมาเอง mm hmm. คนที่เขาถนัดซ้ายทำไมเขาใช้มือซ้ายได้อย่างสบาย mm hmm. เพราะเขาเคยถนัดเขาเคยหัดทำมาตั้งแต่เกิด เขาก็เลยใช้มือซ้ายได้อย่างสบายแต่ถ้าเราถนัดขวาแล้วเราต้องมาใช้มือซ้ายใหม่ๆเราก็จะไม่ถนัดเพราะเราไม่เคยใช้มาก่อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบังคับให้มันหัดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปเราก็จะถนัดซ้ายเฉพเดียวกับการมามาฝึกจิตมาหยุดความคิดของจิตเราไม่เคยหยุดคิดกันเลยเราถนัดแต่คิดกัน คิดได้ตลอดเวลาคิดจงคิดคิดจนถึงนอนไม่ได้ก็มีกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรก็เพราะความคิดนี่แหละแต่เราไม่รู้จักหยุดคิดเลยแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้การหยุดคิดเพราะว่ามีคนหยุดความคิดได้แล้วมามาสอนเรานั่นเองก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านก็คิดเหมือนพวกเรานี่ คิดเรื่องหาเงินหาทองคิดเรื่องหาความสุขต่างๆแต่ท่านก็เป็นคนที่ฉลาดท่านก็เห็นว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลานั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ท่านก็เลยคิดหาวิธีว่าจะหาความสุขแบบไม่ผ่านทางร่างกายได้หรือไม่ได้อย่างไร ท่านก็ไปเห็นคนที่เป็นนักบวชนะพวกนักบวชนี้เขาเป็นพวกที่หาความสุขจากทางใจเขาไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายเขาไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ที่เงียบๆที่ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆจากบุคคลต่างๆจากเรื่องราวต่างๆเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กับเหตุการณ์มันก็ทําให้หยุดคิด อดที่จะคิดไม่ได้พอเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอย่าถ้าไปอยู่คนเดียวในปาน่านี้ก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้คิดไม่มีอะไรให้เห็นที่จะทำให้ต้องคิดกับสิ่งที่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรที่จะทำให้ไปกระตุ้นความคิดพวกนี้แหละเป็นพวกที่เขาไปเรียนหรือไปหาวิธีหาความสุข แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันหาวิธีหาความสุขแบบทาใจให้หยุดคิดกันพระพุธเจ้าก็เลยตัดสินใจหนีออกจากวังไปถ้าอยู่ในวังก็จะต้องหาความสุขได้เพียงตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงพอร่างกายแก่เจ็บตายต่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิตก็ไม่สามารถหาความสุขได้ พระพุทธเจ้าก็เลยไม่อยากจะอยู่ในวังเพราะว่าต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่มีความสุขนั่นเองก็เลยหนีออกไปบวชไปอยู่กับพวกนักบวชไปหัดไปเรียนจากพวกนักบวชวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้ทำอย่างไรก็ได้เรียนรู้ว่าต้องหยุดความคิด ก็ก็เลยไปฝึกหัดวิธีหยุดความคิดเนะคือสิ่งที่จะทาให้ใจหยุดคิดได้นี้เราเรียกว่าสติสตินี้เป็นความสามารถของใจอย่างหนึ่งถ้ามีสติเวลารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเราก็สั่งให้มันหยุดคิดได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะสั่งให้มันหยุดคิดมันก็ไม่หยุดนะ แต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็มีวิธีสร้างสติขึ้นมา mm. เหมือนคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็หัดว่ายน้ำได้ mm. คนที่ไม่มีสติก็สามารถหัดสร้างสติขึ้นมาได้ mm. วิธีสร้างสติก็มีการมีการใช้วิธีต่างๆมีสี่สิบวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบกรรมฐานคืออารมณ์ต่างๆ ที่เราจะให้ใจผูกติดอยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอย่างเดียวถ้าใจเราติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใจของเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นให้ใช้คําบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ก็ให้เราบริกรรมหรือท่องพุทโธไปภายในใจคิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราบัวอยู่แต่คิดอยู่กับคําพุทโธพุทโธ เราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะธรรมดาเราจะคิดสองเรื่องพร้อมๆกันไม่ได้เช่นถ้าเราจะคิดเรื่องทำบัญชีแล้วก็มาคิดเรื่องทำกับข้าวพร้อมๆกันนี้มันทำไม่ได้เราต้องคิดเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปที่ละเรื่องก่อนถ้าคิดเรื่องทำกับข้าวเรื่องทำบัญชีก็ต้องรอไว้ก่อนต้องรอให้คิดเรื่องทากับข้าวให้เสร็จก่อนจึงจะไปคิดเรื่องทาบัญชีได้ ดันใดถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะไปคิดเรื่องทํากับข้าวไม่ได้คิดไปเรื่องหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ได้เราก็จะสามารถทําให้ใจเราหยุดคิดได้เพราะการคิดอยู่กับคําพุโทโธพุโทโธนี้ไม่ได้พาให้เราไปทําอะไรนั่นเองพาให้เราหยุดทําถ้าเราคิดถึงขนมมันก็จะพาให้เราไปหาขนมไปทําขนมมากิน ถ้าเราคิดถึงหนังถึงละครมันก็จะพาให้เราไปดูหนังดูละครแต่ถ้าเราคิดอยู่คำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี้มันจะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่กับพุโทโธไปแล้วความคิดต่างๆมันก็เข้ามาแทรกไม่ได้ใหม่ๆมันยังเข้ามาได้อยู่เพราะว่าพุโทโธของเรายังไม่มีกำลังเราพุโทโธไปได้สองคเดี๋ยวเรื่องขนมก็เข้ามาแล้ว เดี๋ยวเรื่องอกาแฟก็เข้ามาและเดี๋ยวเรื่องภา พ, พยนตร์เรื่องอะไรต่างๆก็เข้ามาแต่เราถ้าเราพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิดที่จะมาชวนให้เราไปหาขนมกินหากาแฟดื่มให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดที่จะมาชวนเราไปทำอะไรต่างๆมันก็จะหายไป แล้วพอไม่มีความคิดใจเราก็จะเบาจะเย็นจะสบายมีความสุขขึ้นมาแต่ จ, จะไม่สงบร้อยเซ์ไม่นิ่งตลอดไม่นิ่งร้อร์ซถ้าเราอยากจะนิ่งร้อยเปซน์นี้เราต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าเราสามารถพุโทโธไปอย่างนี้โดยที่ไม่คิดอะไรเดี๋ยวจิตก็จะหยุดคิดแม้แต่คำว่าพุโทโธก็จะหยุดไป เวลาจิตหยุดคิดพุดโทโธก็หยุดไปด้วยแล้วตอนนั้นก็จะไม่มีความคิดเหลืออยู่พอใจไม่คิดใจนิ่งสงบเต็มที่ใจก็เป็นสมาธิขึ้นมาสงบขึ้นมาแล้วใจก็จะพบกับความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยที่เกิดจากความสงบการนี้แหละเป็นการหาความสุขในตัวของเราเองไม่ต้องไปพึ่องอะไรต่างๆเป็นเครื่องมือ เพราะสิ่งต่างๆที่เราอาศัยเป็นเครื่องมือมันไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้สู้หาความสุขที่แน่นอนดีกว่าคือการมาหัดเจริญสติมาสร้างสติมาพุทโธพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเพราะส่วนใหญ่นี่เราไม่ต้องใช้ความคิดกัน เวลาที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อจะเตรียมตัวไปทำงานนี้เราไม่ต้องใช้ความคิดกันเวลาอาบน้ำเราก็ไม่ต้องคิดล้างหน้าแปรงฟันเราก็ไม่ต้องคิดแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไม่ต้องคิดอะไรแต่เรามักจะปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดแล้วบางทีก็เกิดอารมณ์ดีใจบ้างเสียใจบ้างไม่ค่อยมีความสุขกับความคิดเท่าไหร่สู้มาหัดหยุดคิดกันดีกว่า พอลืมตาขึ้นมาพอรู้ว่าจะต้องไปอาบน้ำอาบท่าก็ไปช่วงที่ไปอาบน้ำอาบท่าก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปพยายามคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติจะมีกำลังที่จะหยุดความคิดได้พอเรานั่งเฉยๆต้องการให้ใจหยุดคิด เราก็พุโทโธไปเดี๋ยวเดียวไม่นานความคิดก็จะหยุดไปแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขทางทางร่างกายทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขแทนที่เราจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเราก็มาหาความสงบมาเสพแทนเพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะไม่สบายเราก็ยังสามารถหาความสุขได้ร่างกายจะพิการเราก็ยังหาความสุขได้ร่างกายจะแก่เราก็ยังหาความสุขได้ แ, ไดแต่ถ้าเราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมันจะมีปัญหาเวลาที่ร่างกายพิการเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายไม่ เวลาที่ร่างกายแก่ลงไม่มีกำลังวังชาไม่มีเรี่ยวแรงนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้ได้พบกันถ้าเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้พบกับวิธีการหาความสุขที่ถูกต้องที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเรา เพียงแต่ว่าเราต้องทําให้ใจเราสงบเท่านั้นด้วยการหยุดความคิดด้วยการฝึกสติสร้างสติขึ้นมาถ้าเราฝึกสติสร้างสติได้เราก็จะหยุดความคิดต่างๆได้หยุดได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้หยุดอย่างถาวรเวลาเราจิตสงบจิตเราไม่คิดอะไรมันก็จะสงบอยู่ชั่วคราว ไม่นานมันก็จะถอนออกมาแล้วก็เริ่มคิดใหม่ถ้าเราต้องการให้มันหยุดคิดเราก็ต้องใช้สติใหม่ paper. ถ้าเราต้องการให้มันไม่มาสร้างความลำคาญใจให้กับเราเวลามันอยากได้นูน่นอยากได้นี่เราก็ต้องใช้สติหยุด ม, มันเวลามันอยากจะไปกินขนมอยากจะไปดื่มกาแฟเราก็ต้องใช้สติหยุด ม, มันถ้าเราไม่หยุดเดี๋ยวเราก็ทนไม่ไหว เดี๋ยวเราก็ต้องไปทําตามที่เราอยากเราคิดกันอันนี้เป็นวิธีหาความสุขความสงบแบบแรกที่พระพุทธเจ้าไปเรียนรู้จากคูบาอาจารย์ที่เป็นนักบวชแต่พระพุทธเจ้านี้มีความปรารถนาที่จะอยากจะให้จิตนี้มีความสงบตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้น อยากให้จิตมีความสุขแม้กระทั่งเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาออกมาแล้วยังอยากให้ใจสงบเหมือนเดิมอยู่พระองค์ไปสอนไปถามใครก็ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะให้ใจสงบเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิ mm hmm. พระองค์ก็เลยต้องไปศึกษาไปค้นคว้าหาด้วยตนเองในที่สุดพ่อองค์ก็ส่งค้นพบว่า สาเหตุที่ใจไม่สงบเวลาออกจากสมาธิก็เพราะว่าใจไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองอยากไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมา ถ้าอยากจะให้ใจไม่ปั่นปวดไม่วุ่นวายก็อย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆวิธีที่จะทําให้ใจไม่อยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ต้องมองว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองแล้วเราก็ไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้บางเวลาเขาก็จากเราไป อันนี้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าการที่เราจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิกกก่นโนดผลถภาเนี้เราไม่สามารถที่จะมีได้ตลอดเวลาเราได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปหรือบมไปด้วยจากเราไปเราจะไปสั่งให้เขาไม่เปลี่ยนไม่หมดก็ไม่ได้ ของต่างๆที่เราซื้อมาเวลาซื้อมาใหม่ๆมันก็ดีใช้ได้ดีพอใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่าลงเก่าลงพอมันเก่าลงมันก็เริ่มเสียเสียมันก็ทําให้เราปวดหัวขึ้นมาเพราะเราเคยหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอสิ่งนั้นสิ่งนี้นสนนสนนเสียเราก็หาความสุขจากมันไม่ได้เช่นรถยนต์ที่เราซื้อมาเวลาเราอยากไปไหนมาไหน ถ้าเป็นรถใหม่ก็ไปได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็วแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะไม่ไปเราอยากจะไปแต่มันไม่ไปมันเสียพอมันเสียมันก็เลยทำให้เราหงุดหงิดตำคาญใจขึ้นมาแทนที่จะมีความสุขจากการมีรถยนต์ก็กลับกลายเป็นมีความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาเราต้องมองความจริงให้เห็น เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันดีชั่วคราวมันให้ความสุขกับเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปหมดไปมันจะไม่ตอบสนองความต้องการของเรามันจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้พอเราไม่ได้รับความสุขเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองเนี่ยท่านสอนให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่าง เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไปได้สั่งให้มันดีไปตลอดไปได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เมื่อมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอน อนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เป็นของที่เราควบคุมบังคับได้สั่งได้เสมอไปเวลาบางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งได้ก็เป็นสุขเวลาสั่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาให้เรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งเหล่านั้นมาเพราะเรารู้ว่าถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ ตอนต้นก็สุขเวลาได้มาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรซื้อของมาใหม่ๆดีใจกันซื้อรถยนต์ซื้อเครื่องใช้ไม่สอยมาใช้กันเดี๋ยวพอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียพอเสียแล้วมันก็ไม่เป็นสุขละมันกลายเป็นทุกข์ละเพราะใช้ไม่ได้ต้องเอาไปซ่อมต้องเอาไปเปลี่ยนอ่านี่คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะหยุดความอยากที่จะไปหา ความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าสตินี้ไม่สามารถหยุดความอยากได้ถาวรสตินี้หยุดความอยากได้เป็นพักๆเวลาหยุดความคิดได้ความอยากก็จะหยุดทำงานชั่วคราวแต่พอออกจากความสงบมาพอต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่ละมัดระวังเดี๋ยวก็ไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ึ้นมา เพราะความอยากมันไม่ได้ตายไปจากการหยุดความคิดเฉยๆความอยากจะตายไปต้องหยุดด้วยด้วยเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรอยากเพราะว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันจะให้ความทุกข์กับเรามันจะต้องทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันทุกวันนี้เราทุกข์เราเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่เรามีหรือกับสิ่งที่เราไม่มีสิ่งที่เราไม่มีมันไม่ได้ให้ความทุกข์กับเราใช่ไหม แต่พอสิ่งไหนเรามีนี่มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเลยมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนฮะมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องมาทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะอะไรเพราะเรารักเราหวงเราอยากให้ของที่เรามีนี้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนั่นเองแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเองเพราะโลกนี้เป็นโลกของอนิจจ์โลกของความ โลกชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อมีเกิดแล้วจะต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีเจริญแล้วจะต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีมาแล้วจะต้องมีไปเป็นธรรมดาแต่พวกเราไม่มีใครสอนกันเราก็เลยไปคิดว่าเมื่อได้อะไรมาแล้วจะเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดพอมันไม่อยู่กับเราพอมันแยกจากเราไปเราก็เลยเศร้าโศกเสียใจกัน เพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่มีเราไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะรู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเท่านั้นนี่แหละคือปัญญาที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่มีใครสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา จะทําให้เราหลงทําให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พรเราจะคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุขได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขได้ลูกแล้วจะมีความสุขได้สมบัติแล้วจะมีความสุขแต่ไม่ได้เห็นว่านอกจากความสุขแล้วมันมีความทุกข์ติดมาด้วยเพราะว่าเวลาที่มันไม่มีสิเวลามันเป็นปัญหาขึ้นมาเวลามันเสียเวลามันเปลี่ยนไปะ มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เพราะว่าเราคิดด้านเดียวคิดแต่ด้านสุขเราไม่คิดแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเป็นทุกข์ได้เพราะเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเราคิดว่าได้สิ่งไหนมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่วันแรกแต่ไม่มีอะไรเหมือนในวันแรกหรอกวันแรกที่เราได้มามันดีไปหมด แล้วพออยู่ไปสักพักแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดมันกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือทำไมคนถึงต้องแยกทางกันทำไมแต่งงานกันแล้วถึงไม่อยู่กันมาตลอดก็เพราะว่าเวลาเจอกันใหม่ๆก็ดีกันต่างฝ่ายก็ต่างเอาอกเอาใจกันแต่พออยู่กันไปสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนละแทนที่จะเอาใจเขาก็กลับมาเอาใจเราเขาก็เอาใจเขาเราก็เอาใจเรา มันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ตอนที่พบกันใหม่ๆนี้ต่างคนต่างเอาใจกันเราก็เอาใจเขาเขาก็เอาใจเราก็ดูดกันได้อย่างมีความสุขนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ทำให้ความสุขนี้จะหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องศึกษาต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อย ถ้าเรามีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราอยากได้อะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมาบอกเราทันทีทุกนะเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนนะจะต้องจากกันนะจะต้องหมดนะจะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปรักษาให้มันดีไปตลอดไม่ได้มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไป แล้วมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้อยู่ในใจเราตลอดเวลาเราจะไม่อยากได้อะไรเราก็บอกว่าสู้มาอยู่กับความสงบดีกว่ามาทาใจให้เราหยุดคิดหยุดอยากดีกว่าพอใจเราสงบไม่อยากไม่คิดแล้วใจเราก็มีความสุขความสุขแบบไม่ผิดหวังเพราะเราสามารถมีได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงร่างกายจะแก่รหรือไม่แก่ ร่างกายจะพิการหรือไม่พิการจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่เวลาร่างกายตายไปก็ยังสามารถมีความสุขได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรความสุขที่เกิดจากความสงบนี้อาศัยสองอย่างเท่านั้นคือสติและปัญญา ถ้ามีสติเพียงอย่างเดียวก็ให้ความสงบชั่วคราวถ้ามีปัญญาก็จะให้ความสุขไปตลอด uh huh. เพราะว่าใจจะไม่มีความอยากเ uh huh. มื่อใจไม่อยากใจก็จะนิ่งใ จ, จใจก็จะสงบ uh huh. เหตุที่ใจไม่นิ่งไม่สงบก็เพราะความอยากนี่สังเกตดูเวลาเรามีความอยากนี่เราอยู่เฉยเฉยไม่ได้ uh huh. เราต้องไปทําสิ่งที่เราอยากทํา uh huh. ถึงจะมีถึงจะสงบได้ uh huh. แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเช่ตนตอนนี้เราไม่มีความอยากเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ต้องนานเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราไม่มีความอยากกันเรามีแต <Pale preferences> ่ <regardez> นั่งแล้วก็ฟังไปแล้วก็เพลินกับการฟังไปเรื่อยๆความอยากก็เลยไม่เกิดถ้าสมมติว่าถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้ฟังธรรมนี้รับรองได้ว่านั่งไม่ได้นานเดี๋ยวก็คิดแล้วเดี๋ยวก็อยากลเดี๋ยวก็อยากจะไปหาอะไรมาเดิมอยากจะไปหาอะไรมาดู เพราใจมันหิวโหยอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาเหมือนกับเป็นลมหายใจใจนี้หิวกับรูปเสียงกลิ่นนัตลอดเวลาแต่พอมีธรรมะมาเป็นอาหารให้ให้ใจได้ฟังใจก็เลยสงบใจก็เลยไม่มีความอยากชั่วข่าวเดี๋ยวพอหยุดฟังธรรมเดี๋ยวก็เริ่มคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราสามารถ หยุดความอยากได้ด้วยปัญญาด้วยเหตุผลว่าการที่เราไปอยากกับสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปหาความทุกข์เราจะไปหาทาไมแต่คนที่ไม่มีปัญญานี้จะไปคิดว่ากำลังจะไปหาความสุขพอเวลาได้อะไรมาก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่เห็นว่าเวลาที่มันไม่มีเวลาที่มันหมดไปนี้ ความสุขนั้นมันหมดไปแล้วอะไรจะตามมาต่อไปมองไม่เห็นกันถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเรารู้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์เราก็ไม่เราก็ไม่เอาดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเครื่องเดิมชนิดนี้เดินไปแล้วเดี๋ยวจะต้องท้องเสียเราจะเดิมไหม จะรู้ว่าหานี่รับประทานแล้วเดี๋ยวจะต้องท้องเสียไม่มีใครอยากจะรับประทานอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันจะหมดไปในเวลาไม่ช้าก็เร็วเวลามันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์พอเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่ต้องการไม่อยากได้นี่คือวิธีกําจัดความอยากด้วยวิธีที่ถูกต้องต้องกำจัดด้วยเหตุผลคือปัญญา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่ลืมรับรองได้ว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเราจะสามารถหยุดความอยากได้เพราะเราจะไม่อยากไปเจอความทุกข์นั่นเองถ้าการไปทําตามความอยากแล้วทำให้เราต้องไปเจอความทุกข์เราไม่ไปกันหรอก แต่ที่เราไปกันก็เพราะเราคิดว่าเราจะไปเจอความสุขกันซึ่งก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่บังความทุกข์ความทุกข์นี้อยู่ข้างหลังรอรอให้ความสุขมันหมดไปพอความสุขหมดไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีเราจึงร้องโหมร้องไห้กันเศรา้าโศกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไป กเพราะเราไม่คิดไม่รู้ว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้มันจะต้องจากเราไปนั่นเองนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่คนพบคือวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ไปตลอดคือต้องเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ ไม่สามารถควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดนั่นเองให้มันอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เป็นความรู้พิเศษที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวพวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมหาศาลที่ได้มาพบกับความรู้อันนี้เพราะถ้าเราไม่ได้พบกับความรู้อันนี้เราก็จะไปหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ลเราก็จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจการอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากร่างกายก็ยังมีอยู่มันก็จะพาให้ดวงใจของเราที่เป็นดวงวิญญาณนี้ไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายอันใหม่มาล้วก็ใช้มันมาหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมา แล้วเราก็ต้องมาร้องหหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่ตเฉพาะชาตินี้เท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาหาความท er ุกข์กันใหม่มาร้องหหมร้องไห้กันใหม่แล้วพอร่างกายตายไปก็ไม่เข็ดก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาหาความทุกข์กันใหม่อย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาเรียนรู้เรื่องปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องสติเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เราก็สามารถพบสร้างความสุขที่แท้จริงที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองแล้วใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับไปนี้กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไป พอเราใจมีความสุขตลอดเวลาเนี่ะใจที่มีความสุขตลอดเวลาที่ไม่ต้องมามีร่างกายเรียกว่านิพพานนี่เองนิพพานไม่ใช่สถานที่นิพพานก็คือใจของพวกเราที่เราได้ใช้สตินัปปัญญาหยุดความอยากต่างๆที่ทําให้เราต้องไปหาความทุกข์กันพอเราหยุดหาความทุกข์ใจของเราก็มีความสุขภายในตัวขึ้นมา อันนี้แหละเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดที่เราไม่ต้องกลับมาหากับสิ่งสมมุติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ด้วยการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหมัน่นเจริญสติหมั่นใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็จะหายไปหมด เ้าใจของเราก็จะมีความสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรกวะหาปุราปารกปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิตทินัางเปตานางอุปกัปติ อิติตังปติตังตุมหังคิพเปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุจังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีคาโยโกผวะภิวาธนศีลิศะนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานตีอายุวันโอสุขังภาลั ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะทราบวิธีการปฏิบัติหรือสงสัยเรื่องของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรก็ถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลามีไมโครโฟนให้ถาม วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาทั้งหมดสองร้อยห้าสิบอ็ดคนย o u t u หนึ่งร้อยสี่สิบคนพิทยุยี่สิบสามคนพุฟังบนเขาหนึ่งร้อยสสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดสองร้อยหกสิเอ็ดคนครับผมสองร้อยหรือหกร้อยสองร้อยเอห้าร้อยหกสิบเ็ดคนครับผมบวกได้ยังไงนะยิ่งบวกยิ่งน้อยไนะม่แต่บวกยิ่งบวกยิ่งมากนะมันลบหรือเปล่า ถ้ามีคำถามก็าถามได้เลยคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วเคยกลัวความมืดแต่ฝืนใจออกไปเดินจงกรมตอนกลางคืนหนึ่งชั่วโมงใจคิดได้ว่าความกลัวเกิดจากความคิดเราเองจากนั้นไม่กลัวความมืดอีกเลยอยากจะพิจารณาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายให้ขาด แบบเรื่องกลัวความมืดควรทําอย่างไรคะก็พิจารณาว่าร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรานั่นเองเป็นดินน้ําลมไฟเป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาเราเป็นใจเพียงแต่มาเกาะมาสายร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเท่านั้นเองเดี๋ยวไม่นานพอร่างกายตายไปเราก็แยกออกจากร่างกายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไป ไม่ใช่ตัวเราเราคือผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่เราตอนนี้เป็นผู้หลงไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็เลยคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่มีวันตายใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายสิ่งที่ตายก็คือร่างกายเพราะมันเป็นดินน้ำลมไฟมันจะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟั้นปล่อยให้มันเป็นมันจะตายก็ปล่อยให้มันไป มมมมัมัมมตตัันนนนนไ่่่่ใชตตตตววเเเเราาาหหืออุ๊กึงงทคําถามจากคุณอภิรตาค่ะเวลาเดินจงกรมใส่รองเท้าได้ไหมเจ้าคะเห็นเพื่อนบอกว่าจะบาปจริงหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่บาปหรอกใส่ได้แล้วแต่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ที่พระท่านไม่ใส่กันก็เพราะว่าท่านถือตำเนียม่ใส่รองเท้าเป็นส่วนใหญ่ท่านก็เลยไม่ใส่กัน แต่ถ้าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่บาปคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณชนาะลูกนั่งสมาธิทุกครั้งเมื่อสงบเหลือเพียงลมหายใจได้สักพักลูกก็จะเริ่มฟุ้งซ่านนึกถึงสามีที่ไปทำงานต่างจังหวัดและมีหญิงอื่นทุกครั้งลูกพยายามพุทโธให้ถี่ขึ้นและหายใจยาวขึ้นเพื่อให้กลับมามีสติอีกครั้ง การทำสมาธิของลูกเลยวนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่ก้าวหน้าไปไหนรบกวนพระอาจารย์แนะนำวิธีที่จะช่วยลดอาการฟุงร้งซ่านนี้เพื่อให้รักษาสติได้ดีขึ้นค่ะกเพราะเราไม่ใช้พุทโธไปเรื่อยๆพอเราหยุดพุทโธมันก็เริ่มคิดเรื่องอื่นได้งั้นอย่าหยุดพุทโธถ้าจิตยังไม่นิ่งสงบอย่างเต็มที่ถ้ายังพุทโธได้ก็ต้องพุทโธไปเพราะว่าถ้าเราหยุดพุทโธปั๊บความคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมา มันก็จะคิดแทนพุโทโธถ้าเราพุโทโธความคิดเรื่องอื่นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้งั้นเราต้องขยันพุโทโธอย่าหยุดพุโทโธให้มันหยุดเองถ้าถ้าจิตสงบมันเหมือนตกหลุมตกบอ่อแล้วมันก็จะหยุดคิดหยุดพุโทโธเองความคิดก็ไม่เกิดพุโทโธก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพุโทโธต่อไปคำถามจากคุณจีระค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ ปัญญาที่ใช้พิจารณาความหยุดอยากทางโลกและหยุดความกลัวตายจะเกิดได้ต้องฝึกจิตให้นิ่งด้วยการนั่งสมาธิเป็นเวลานานให้ได้ก่อนยอมเข้าใจถูกหรือไม่อย่างไรคะคือถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังหยุดความอยากถึงแม่รู้ว่าความอยากไม่ดีแต่ถ้าไม่มีกําลังก็ยังหยุดมันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะพาให้เราไปเจอความทุกข์ล้วก็ยังหยุดมันไม่ได้ แต่ถ้าเราทำใจให้สงบมีสมาธิเราจะหยุดมันได้แล้วพอมีปัญญามาสอนบอกว่าไม่ควรไปทำเราก็จะไม่ทำได้คำถามจากคุณกัชยากร า, รกราบพระอาจารย์ค่ะเรื่องการปฏิบตัติว่าทำไมเวลานั่งแล้วร่างกายมันหนักมากเหมือนมีอะไรมามัดแน่นเหมือนหินกราบถามว่าต้องดูเฉยเฉยหรือทำอย่างไรต่อเจ้าคะ อาอมันเป็นอาการมายาจิตมันสร้างขึ้นมาหลอกให้เรารู้สึกลำบากไม่อยากจะปฏิบัติงั้นเราอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆเวลาเรานั่งดูหนังดูละครมันไม่มันไม่หนักเลยมันเบามันสบายอแต่พอเรามานั่งพุทโธพุทโธสองสามคันมันมันก็เกิดอาการหนักขึ้นมาเพราะจิตมันเตาะกิเลสมันต่อต้านกิเลสมันไม่ชอบความสงบ กเลสมันชอบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราไม่ให้มันได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เลยสร้างมายามาหลอกเราสร้างอาการต่างๆมาหลอกเราบางทีก็แน่นหน้าอกบางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้บางทีก็อยากจะมาคืนน้ําลายมีอะไรต่างๆมาหลอกเราอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไป คำถามจากคุณเพียนค่ะเรียนถามพระอาจารย์นิพพานอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจที่ไม่มีกิเลสไงใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากนี่คือนิพพานคำถามจากคุณบิวค่ะคำว่าบุญและคำว่ากุศลมีความหมายต่างกันอย่างไรครับบุญคือความสุขใจอิ่มใจกุศลคือความฉลาดฉลาดก็คือปัญญา คนที่มีปัญญาก็เรียกว่าคนที่มีกุศลคนที่มีบุญคนที่ทำความดีก็มีบุญมีความอิ่มใจคำถามจากคุณบีนาค่ะนั่งสมาธิบางครั้งจิตจะเห็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาในจิตเรามองแล้วก็คิดว่ามันไม่เที่ยงมีได้ก็หายได้แต่ปัญหาคือทำให้ลืมพุโทโธจะมีทางแก้ไหมคะอย่าไปสนใจ เวลานั่งแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวให้คิดว่าพุโทโธนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่พาเราไปที่บ้านถ้าเดินทางไปกลางทางไปเห็นเขาขายของเห็นเขามีการลเล่นเล่นเราก็โดดออกจากรถไปดูเขาขายของไปดูการลเล่นเล่นเราก็จะไปไม่ถึงบ้านให้เรานั่งอยู่ในรถไปเรื่อยๆให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ เวลาพุโทโธนั่งพุโทโธแล้วเกิดมีอะไรมาให้เราเห็นอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาก็จะหายไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไป <คำ S 1> หมแล้วเหรอมีใครอยากจะถามก็ถามได้นะยกมือขึ้นมาถามไม่มีเดี๋ยวนั่งพักป๊บมีแล้วเหรอ คำถามจากคุณต้อยติ่งค่ะกราบนามัสการค่ะคำถามบทสวดต่างๆเช่นนามโมตัสสะอิติปิโสพุทโธหรือบทอื่นๆสามารถใช้สวดเวลาไหนบ้างเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเพื่อการปฏิบัติเพื่อให้มีสตินี้ใช้ได้ทุกเวลาใช้บทไหนก็ได้เพราะเป็นอุปเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราไม่ไปคิดเรื่องต่างๆทั้งนั้นเอง <c oughs> เราจะนโมไปแทนพุทธโธก็ได้เราจะใช้พุทธังสารังกะฉามิธรรมังสรรังกฉามิไปก็ได้ขอให้ใจเรามีอะไรคิดที่ไม่ทำให้เราไปคิดกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองให้อยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพุทธโธอยู่กับธรรมโมสังโฆให้อยู่กับธรรมะเหล่านี้แล้วใจก็จะไม่ไปคิดฟุง้งซ่าน เราทําได้ตลอดเวลาการสวดถ้าเราสวดไปภายในใจนการปฏิบัตินี้เราต้องปฏิบัติตลอดเวลาเรื่องของสตินี้ต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ต้องพุโทโธไปเลยซูลือสวดบทใดสวดบทหนึ่งไปภายในใจแม้ว่าเรากําลังทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเราก็สวดไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะหยุดความคิดต่อไปได้แล้วเราก็จะ สงบจะสบายไม่มีเรื่องราววุ่นวายใจต่างๆเพราะถ้าเกิดคิดถึงเรื่องราววุ่นวายใจเราก็ใช้พใช้บทสวดมนต์หยุดมันได้พอไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็สวดอิติปิโสไปสวากขาโตสุปฏิปันโนไปเดี๋ยวเดียวมันก็จะหายไปคําถามจากคุณตัําค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับคุณย่านําอาหารไปถวายพระตอนเย็น เพราะว่าพระที่วัดท่านอาพาธต้องฉันยาหลังอาหารอย่างนี้ญาติจะได้บุญหรือบาปครับเพราะว่าพระห้ามฉันอาหารตอนเย็นอ๋อญาติโยมได้บุญแต่พระนั้ได้บาปเพราะพระทําผิดศีลพระกินข้าวหลังเที่ยงวันไม่ได้ไม่ว่าจะ ก, กรณีใดก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยก็กินไม่ได้ไม่ตายหรอกอก็อย่าไปกินยาที่มันต้องกินตอนกับอาหารสิ ถามหมอว่ามียาอย่างอื่นไหมหรือถ้าต้องกินยาก็กินตอนที่เรากินอาหารก็แล้วกันตอนที่เราไม่กินอาหารเราก็อย่าไปกินมันให้รักษาศีลดีกว่ารักษาชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้รักษาไงก็รักษาไม่ได้อยู่ดีไม่นานมันก็ต้องตายไปถ้าไม่รักษาศีนเดี๋ยวตายไปต้องไปอบายไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลได้ถึงแม้ถ้าตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย พระพุทธเจ้าบอกว่าให้รักษาศีลยิ่งกว่ารักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะธรรมนี้มีคุณค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตมีคุณค่ายิ่งกว่าอวัยวะมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่าง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะจิตที่อยู่ในรูปของเทวดาจะมีรูปร่างให่คะตอนตอนที่เราฝันไงตอนที่เราฝันดีเนะี่ยเราเป็นเทวดาฝันแล้วเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปพบกับคนนั้นคนนี้มีความสุขได้เห็นได้ดูได้ฟังได้ยินอะไรต่างๆเพลิดเพลินกับการไปเที่ยวของเราช่วงนั้นหละจิตของเราเป็นเทวดา คำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ปฏิบัติอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนเช่นช่วงนี้กะถิโยงก็ไม่ไปแค่ทําทานศีลภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมที่บ้านก็รู้สึกอิ่มใจมีความสุขแล้วไม่ต้องวิ่งไปหาบุญไม่ต้องวิ่งไปทําบุญใหญ่ๆเหมือนก่อนไม่ทราบว่าทําถูกไหมคะถูกแล้วแหละบุญอยู่ที่ใจเรา แล้วการทําบุญนี้ทําได้ทุกที่โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากความสงบนี่อยู่ที่ไหนที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจเรานั่งสมาธิไปเราก็ได้ความสุขได้ความสงบซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่กว่าบุญที่เกิดจากการไปทําบุญถวายข้าวของเงินทองในงานต่างๆไม่ว่า ง, งานกระถินงาณภาพป่าหรืองานอะไรก็ตามคําถามจากคุณบีนาค่ะ อยากขอวิธีทําให้หายงดหงิดค่ะเพราะหงดหงิดง่ายมากก็ต้องฝึกสติบ่อยๆพุทโธบ่อยๆพองุดหงิดก็ให้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันก็จะหายหงดหงิดที่งดหงิดเพราะเราไปคิดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันไม่ได้มันก็เลยหงดหงิดพอเราพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดอยากชั่วข่าวพอมันหยุดอยากชั่วคราวอารมณ์งดหงิดก็จะหายไป พยายามหมั่นฝึกสติหมั่นพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะไม่ค่อยงดหยิดนะคำถามจากคุณ น, น้อยค่ะน้องสาวเอาหลานมาให้พ่อแม่แก่ๆเลี้ยงพอได้เงินแล้วเอาไปทำบุญก่อนแล้วหลานทางบ้านกับพ่อแม่อดๆอยากๆเขาจะได้บุญไหมเจ้าคะก็ได้บุญนะแต่เขาก็ไปปล่อยปะะละเลย บุคคลที่เขาควรที่จะช่วยเหลือดูแลก่อนงั้นก่อนที่เราจะไปทําบุญนอกบ้านเราต้องทําบุญในบ้านก่อนเราต้องให้คนในบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือคนนอกบ้านที่เขาเดือดร้อนต่อไปคําถามจากคุณวันธนาค่ะเห็นมีที่นั่งที่รองนั่งสมาธิขายนั่งสบายแต่ก็กลัวว่าจะสบายจนหลับ หรือว่าเราควรนั่งสู้กับความเจ็บต่อไปอย่างเดิมดีคะเพื่อฝึกสติและความอดทนควรจะนั่งแบบที่ไม่มีอะไรดีกว่าเพราะว่าหนึ่งมันสะดวกไปไหนก็นั่งได้ทุกแห่งทุกคนถ้ามีที่นั่งเดี๋ยวไปไหนก็ต้องหอบหิ้วที่นั่งไปด้ว ย, ยงั้นหัดนั่งแบบที่ไม่ต้องมีอะไรให้มันเจ็บเพราะว่ามันเจ็บแล้วมันจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ ทุกบ์บามีปัญญาเบาเกิดเวลาเจ็บเราก็จะได้ใช้ปัญญามาแก้ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บเอานะพยายามอย่าหาความสุขจากความสบายจากการนั่งด้วยการมีเบามีอะไรรองรับนยอันนี้มันจะทำให้เราติดแล้วบางทีจะทำให้เราสบายแล้วอาจจะหลับได้เพราะมันสบายสติมันก็เลยหมด คำถามจากคุณชวนค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ผู้ที่ร่ำรวยจากการคอร์รัปชันถือว่าบุญเก่าหนุนเลยรวยหรือกัมปัจจุบันมีโอกาสคอร์รัปชันก็เลยทําให้รวยเพราะเพราะเคยฟังว่าชาติก่อนทําบุญไว้ชาตินี้เลยรวยขอกลาบเรียนถามครับความรวยนี้มันมีหลายเหตุด้วยกันเกิดจากบุญที่เราทําในชาติก่อนก็มีเกิดจากคอร์รัปชันเกิดการโกงก็มี มันมีหลายเหตุที่ทําให้เรารวยเพระฉนั้นมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดจากบุญเก่าที่เราทําเสมอคําถามเจ้าคุณโกบค่ะทําทไมบุญจากการนั่งสมาธิถึงได้บุญมากกว่าบุญอื่นๆครับเพราะมันสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่ามีน้ําหนักมากกว่ามีความอิ่มมากกว่ากันเหมือนกินขนมกับกินข้าวอันไหนอิ่มกว่ากันะ กินขนมนี่ไม่อิ่มเหมือนกับกินข้าวใช่ไหยอันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานรักษาศีลนี้สู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้คําถามจากคุณสุริยาค่ะอธิฐานบารมีหมายความว่าอะไรแล้วแตกต่างจากสัจจะบารมีอย่างไรครับอธิฐานบารมีแปลว่าการตั้งใจไ บางทีเราไม่รู้จักเราไม่ไม่ตั้งใจเรามักจะปล่อยให้ชีวิตเราไหลไปตามอารมณ์วันนี้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอธิษฐานบารมีคนที่มีอธิษฐานบารมีนี้เขาจะมีการตั้งใจว่าวันนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นพรุ่งนี้จะต้องไปทำอย่างนี้เรียกว่า ม, มีเป้าหมายของชีวิตคนที่ไม่มีเป้าหมายของชีวิตก็ไปเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ สใบที่ไม่มีหางเสือก็ต้องไหลไปตามกระแสน้าไหลไปตามกระแสลมก็จะไปไม่ถึงไหนวนไปเวียนมาแต่คนที่มีหางเสือนี่สามารถที่จะคัดเลือให้ไปในทิศทางที่ตนเองต้องการไปได้การที่เราจะพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญนี่เราต้องมีความตั้งใจสร้างเหตุที่จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญขึ้นมาเราจึงต้องมีอธิษฐานเราต้องมีการตั้งใจ เช็นตั้งใจที่จะทำบุญทาทานทำแต่ความดีไม่ทำบาปนีเรียกว่านี่คือความตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะทำบ้างไม่ทำบ้างวันไหนอยากจะทำบุญก็ทำวันไหนอยากจะทำบาปก็ทำมันก็เลยจะไปแบบเดินเก้าไปสองเก้าข้างหน้าเดินถอยหลังสองเก้ามันก็จะไปไม่ถึงไหนถ้าเราจะเอาแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะทำบุญไม่ทำบาปเราก็จะมีแต่ก้าไปข้างหน้าอย่างเดียว เพระอธิษฐานคือการตั้งใจมีความจําเป็นที่จะดึงใจให้เราไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทรงสัจจะ ก, ก็คือความจริงใจคือจริงใจต่อความตั้งใจนั่นเองพอเราตั้งใจแล้วเราไม่เปลี่ยนใจเรียกว่ามีสัจจะถ้าเราตั้งใจแล้วเปลี่ยนใจเพราะถึงเวลาก็ไม่ทําอย่างเช่นตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าพอตอนเย็นหรือเพื่อนฝูงมาเชิญไปกินเหล้าก็เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะ ถ้ามีสัจจะเพื่อนมาชวนก็บอกไปไม่ได้ไม่กินเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้านี่เรียกว่ามีสัจจะคำถามจากคุณอาทิตย์ค่ะทุดทุดงเขวัดสิบสามข้อข้อที่หลังไม่มาถึงพื้นเราเว้นได้ไหมครับหรือต้องทําให้ครบสิบสามข้อเลยครับเ อ, อไม่ต้องครบทั้งสิบสามเราเลิกทําได้ทุดงนี่เป็นข้อวัดข้อปฏิบัติพิเศษ ที่เราสามารถเลือกมาใช้แก้ปัญหาที่เรามีอยู่ได้ถ้าเราขี้เกียจเราชอบนอนเราก็ถือข้อนี้คือไม่นอนเพื่อเราจะได้ไม่ขี้เกียจเราจะได้เวลามาปฏิบัติถ้าเราชอบกินจูจจ้จี้จุกจิกเลือกอาหารก็ให้กินในบาทให้อ า, อาหารทุกชนิดเทลงรวมไปในบาทแล้วก็คุกคนมันเหมือนเข้าหมากินแบบนั้น มจะเป็นของหวานของค้าวหรือของเค็มของจืดก็ปนมันเข้าไปอร่อยนะกินลองกินแบบนั้นดูอาหารจานเด็ดเนี่ยนานะไม่มีขายที่ไหนขายที่วัดขายในบาทกินแบบนี้กิเลสมันจะหายไปหมดกิเลสตัวจู้จี้จุกจิกว่จะต้องกินอย่างนั้นก่อนกินอย่างนี้หลังต้องกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่อันนี้กินเพื่ออยู่กินแบบกินยาเวลาเรากินยาเราไม่เลือกว่ายาต้องสีเขียวสีแดงใช่ไหม เม็ดกลมหรือเม็ดยาวบมอให้ยาอะไรมาก็กินมันเข้าไปโยนเข้าไปโยนเข้าไปในปากแล้วก็คืนมันเข้าไปแล้วก็จบคนรจะกินอาหารแบบนั้นยัดมันเข้าไปให้มันเข้าไปในปากแล้วก็คืนเข้าไปให้มันอิ่มท้องก็พอนี่คือหน้าที่ของการกินอาหารอย่าไปหวังกินเพื่อเสพรสของมันโอ้ยรสนี้อร่อยหวานมันเค็มอาหารนี้รูปล่างหน้าตาดูน่ากินหน้าอะไรอย่างนี้เป็นกิเลส จะวุ่นวายเวลาที่ไม่ได้กินตามที่ใจอยากกินให้กินอย่นนานข้อทุดงนี้ก็ก็มีไว้สําหรับแก้กิเลสต่างๆชนิดต่างๆถ้าชอบกินมากก็ให้กินมือนม้อเดียวฉันมื้อเดียวเนี่ยนี้ก็เป็นทุดดอะถ้ า, ถ, าถ้าไม่ถ้าไม่ถือทุดดงเดี๋ยวก็ฉันถึงเพนได้เ ช, ช้าก็เริ่มแล้วเดี๋ยวก็เพนมามื้อแต่ ถ, ถ้าถือทุดดงนี้ฉันหนเดียวฉันมื้อเดียว อันนี้เป็นการแก้กิเลสชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้สำหรับคนที่มีปัญหากับกิเลสชนิดใดก็ให้เลือกเอาทุปดงชนิดนั้นไปแก้คำถามจากคุณดอกไม้ค่ะคนเป็นโรคซึมเศร้าโรคจิตเวทควรปฏิบัติอย่างไรครับพยายามฟื้นสติขึ้นมาความซึมเศร้าเกิดจากความคิดความอยากพอไม่ได้ดังใจอยากก็เศร้าซึม ถ้าเราฝึกสติให้หยุดความคิดความอยากได้ความซึมเศร้ามันก็จะหายไปอมันฝึกสติให้ก็หัดสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆอทําให้ใจว่างใจเย็นใจจะสบายจะหายซึมเศร้าได้แต่ต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้ามันซึมเศร้ามานานนี่มันก็ต้องพยายามสวดบ่อยๆสวดนานๆพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว อาการซึมเศร้าต่างๆก็จะค่อยๆหายไปเองคำถามจากคุณวิค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของบุญด้วยค่ะบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการทําความดีต่างๆเช่นเราช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้เขาพ้นจากการทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา หรือบุญที่เกิดจากการละเว้นจากการไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นพออยากจะไปขโมยเงินของผู้อื่นแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าพอเราเปลี่ยนใจพับใจเราก็เย็นสบายขึ้นมามีความสุขขึ้นมาที่เราไม่ต้องไปทำบาปนี่คือบุญที่เกิดจากการทำบุญหรือบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปจะทำให้ใจมีความสุขเย็นใจสบายใจเรียกว่าบุญ คำถามจากคุณเพียนค่ะจิตกับวิ ญ, ญญาณสัมพันธ์กันอย่างไรครับตัวเดียวกันเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณเวลาคนตายนี้จิตก็แยกออกจากร่างกายไปจิตก็เลยเรียกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิญญาณไปเหมือนผู้หญิงเวลาไม่มีสามีก็เรียกว่านางสาวพอมีสามีก็เปลีนานาน่ยนเป็นนางเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองแต่ตัวยังตัวเดิมอยู่ตามตามสถานภาพ เวลาจิตเวลามีร่างกายก็เหมือนแต่งงานกับร่างกายก็เรียกว่าจิตพอจิตยกพอพอจิตแยกออกจากร่างกายอย่า ก, กันก็เลยไปเป็นวิญญาณเปลี่ยนเป็นวิญญาณใหม่แต่ก็เป็นตัวเดียวตัวเดียวกันหมดแล้วเลย <Yeah. S 1> เรื่องของจิตก็เป็นอย่างนี้ <Yeah. S 1> เราจิตเราได้แยกจากร่างกายทุกวันเวลาที่เรานอนนี่เราก็แยกออกจากร่างกายชั่วคราว ตอนนั้นจิตเราก็ไปอยู่ในโลกของความฝันที่เรียกว่าโลกทิพย์เราก็ฝันดีฝันร้ายไปฝันดีก็เป็นสิ่ของสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นสิ่ของอบายมันไม่ใช่เป็นสถานที่สวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่อบายไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นความฝันที่จิตเราผลดตขึ้นมาจากบุญเมื่อบาทที่เราทำนี่เองถ้าเราทำบาทมันจะฝันร้ายฝันแต่เรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัว ถ้าเราฝันทำความดีเราก็จะฝันแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่มีแต่ความสุขเราก็จะฝันอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะได้รับร่างกายอันใหม่พอวิญญาณได้รับร่างกายอันใหม่ก็มาแต่งงานใหม่แต่งงานกับร่างกายก็เปลี่ยนชื่อจากวิญญาณมาเป็นจิตใหม่แล้วก็อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขใหม่ช่วงที่หาความสุขก็อาจจะไปทาบุญบ้างไปทาบาปบ้างพอเวล า, านอนหลับก็ฝันดีฝันลาย สลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้เราหยุดหาความสุขจากทางร่างกายเราหันมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยสติด้วยปัญญาพอเราสามารถหาความสุขจากใจได้เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายเราก็ไม่ต้องไปทําบุญทําบาปเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่เราก็จะ อยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายเป็นดวงวิญญาณที่สงบที่มีความสุขเรียกว่านิพพานหมดหรือยังคำถามไม่มาแล้วใช่ไหมไม่มาก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ